117ทิบทิศที่แรกที่จะต้องสำ ม, มาทิฏก่อนจะศึกษาพุทธแต่อาตมาสงสารมวลมนุษย์จริงๆและเสียดายคุณวิเศษอันประเสริฐของความเป็นพุทธธรรมที่สงสารหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็คือที่เห็นท่านทั้งหลายมัวหลงผิด ต้องสามแล้วไปวนเวียนสู่วัะสงสารนั่นเองที่ไม่ควรจะตกลงไปเลยมันต่ำถึงนรกลึกๆด้วยจริงๆนะซึ่งนักปฏิบัติธรรมชาวพุทธทั้งหลายวันนี้แค่ประเด็นอดีตกับอนาคตนั้นก็ไม่ควรจะไปจมอยู่กับมิจฉาทิจฉ์เช่นนั้นแต่ชาวพุทธก็ไม่ฉุกใจ ยังมิจฉาทิฏฐิการหนักอยู่ไม่ถอนทิฏฐินี้ก่อนจึงไม่มีโอกาสบรรลุพุทธธรรมกันได้เลยเพราะมิจฉาทิฏฐิอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตไม่เงยหัวไม่ปฏิบัติเข้าหาปัจจุบันเพราะจมอยู่กับทิฏฐิแรกจำนนต่อมิจฉาทิฏฐิ62กัน จึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นโลกอย่างบริบูรณ์ก็ไม่สามารถเรียนรู้อัตตาความเป็นตนอย่างเป็นลำดับจากโอลาริกะอัตตาที่จะได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงมโนโมยอัตตาไปจากหยาบกลางไปหาละเอียดจนกระทั่งถึงอรูปรอัตตา ปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมเป็นความจริงที่เห็นจริงและทำได้จริงสัมผัสได้จริงต้องเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอดีตกับอนาคตใครจะไปทำอะไรกับมันได้นอกจากฝันถึงมันเท่านั้นเพ้อบ้ า, าบอถึงมันไปเท่านั้นอดีตกับอนาคตทำอะไรกับมันไม่ได้ อดีตกับอนาคตเป็นประโยชน์แค่ใช้ระลึกมาประกอบประโยชน์เท่านั้นถ้าฉลาดใช้มันเป็นถ้าไม่ฉลาดก็เป็นโทษต่อตนซึ่งอดีตกับอนาคตนั้นล้วนขึ้นอยู่กับปัจจุบันจะเป็นตัวแปรหลักทำให้อดีตกับอนาคตเปลี่ยนไป